นี่หลงพ่อก็พยายามพาพวกเราเดินมาเป็นลำดับลาดับนะหัดรูปเผลอรูปเพ่งก่อนกระทั้งในทีสุดตัวรู้ค่อยๆเด่นขึ้นเด่นขึ้นพอตัวรู้เด่นแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นั้นมาเดินต่อเรามาฝึกจนได้ตัวรู้มาเนี่ยคล้ายๆเราเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อการเดินมิปัสสนาเพื่อการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการทำมิปัสสนาก ร, รมฐานนั่นแหละ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 จะบอกบังเอิญก็ไม่มีครับว่าบังเอิญในศาสนาพุทธนะเนียกว่ากรรมจัดสรรไม่เจอมันเข้ากรรมของมันหรือของเราก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> <laughs> เห็นแล้วทนไม่ได้นะมันไปเดินรงกลมนะเดินเราเขาบอกเรียกชื่อเขานะเรียกชื่อเขาเอ้ย <c oughs> <h ays> ด็อกเตอร์ <laughs> นึกออกไหมไอ้ที่ทําอยู่ตอนเนี้นะเมื่อหลายปีก่อนก็ทําแบบนี้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 เจอสภาว่าอะไรแปลกๆนะก็ไปติดไปค้นไปกว้าอยู่งั้นเสียเวลานะแต่ถ้าพอชํนานาญขึ้นนะมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นการภาวนาก็จะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆทีแรกยากยากทุกคนอะ่นะหลวงพ่อก็ภาวนาล้มลุกคลุกคลานนะลำบากแตนะอายไลอดทนเก่งไม่เท่าไหร่หรอกทนอะไที่เยอะไว้พวกเก่งหรือพวกคิดมากไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่อดทนไหม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 เมื่อใจหมดความดิ้นรนใจก็ไม่ปรุงแต่งเมื่อใจไม่ปรุงแต่งใจก็เห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นพระนิพพานนะเท่านั้นเองแหละถ้าใจเรายังมีความอยากแล้วมีความดิ้นรนก็ปรุงแต่งไปก็ไม่เห็นนิพพานเราปรุงสิ่งซึ่งกีดกั้นนิพพานเอาไว้เองนิพพานอยู่ต่อหน้าแต่เราใจเรานั่นแหละไปปรุงเครื่องพลุงพลังขึ้นมานะปรุงตันหาปรุงความอยากขึ้นมาปรุงสังขารคือความดิ้นรนของจิตขึ้นมา